สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบพระเยซูตอนที่ห้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับทำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนพวกเรานะครับพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อที่สิบสามนะครับซึ่งเป็นวลีสุดท้ายเหตุว่าราชสำนาจกฟลิปเดตและไพซิลิเป็นของพระองค์ ชื่อสื่อไปเป็นดิดอาเมนเห็นไหมครับเราอาจจะอ่านคําบันทึกสุดท้ายที่เป็นที่รู้จักกันมากนะครับในคําอธิษฐานนะครับไว้ในวงเล็บนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฟุตโนดนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับสําเนาต้นฉบับเก่าแก่หลายฉบับนะครับซึ่งฟุตโนตนะครับในฉบับหนึ่งปี1971นะครับ1971 ของสมาคมพุทธธรรมไทยนะครับได้บอกว่าสำเนาต้นฉบับเก่าแก่และฉบับไม่มีข้อความนี้นครับเนื่องจากว่าฉบับ1971นเรนะครับเป็นฉบับที่เราได้แปลมาจาก RSV นะครับ RSV นี่มาจากคำว่า Revised Standard Version นะครับก็เป็นพระกัมพีฉบับ RSV นะครับซึ่งเป็นฉบับต้นฉบับครับที่นำมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับไม่ได้รวมประโยคนี้เข้าไปด้วย แต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่บรรดาผู้ที่เรียบเรียนนะครับบรรดาผู้ที่เรียบเรียงทั้งหลายก็คือบรรพิการนะครับที่แปลเป็นไทยนั้นก็รวบรวมนะครับไว้อยู่ในวงเล็บเพื่อให้เราอ่านครับเพื่อคาอธิษฐานนี้จะเป็นคำอธิษฐานที่เรียกว่าเป็น dogmaology dogmaology ก็คือ sacred นะครับก็คือเป็นคําที่ยกย่องถวายเกียรติพระเจ้าซึ่งจบนะครับซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายในคำอธิฐานก็คือขอให้เป็นการขอที่ว่า ให้ราชสัานาธิษฎเดชและพระศรีเป็นของพระองค์นะครับนี่เป็นกรรน้ำมศ ก, การสรรเสริญพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเป็นการโมทนาพระคุณของพระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นการสรรเสริญและการถวายเกียรติพระเจ้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของการอุิศฐานปิดของพวกเรานะครับก็คือล็อกโซโลจีนั่นคือการน้ำมศ ก, การพระเจ้าครับพี่น้องครับคำว่าล็อกโซโลจีนั้นก็คือหมายถึงการเอ่อ ร้องนะครับโหร้องถวายชัยนะครับชัยโยนะครับอย่างนี้เป็นต้นให้กับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็คือองค์พระผเนเจ้าของเรานะครับในการนับการพระเจ้านั้นจะต้องจบทุกครั้งับด้วยด็อกโซร์กีนะครับด็อกโซีในสมัยนี้นะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากในสมัยโบราณก็คือการร้องเพลงนะครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรนี่จะเป็นหนึ่งในด็อกโซร์กีทั้งหลายนะครับเนการสรรเสริญพระเจ้าหรือการนับเช้พระเจ้าในวัิตยนั้น ควรอย่างยิ่งครับที่เจ็ป้องปิดด้วยด็อกโซจีนะครับก็เรียนแบบธรรมนิฐานของพระเยซูครับธรรมนิทานของพระเยซูก็ปิดด้วยด็อกโซจีเหมือนกันทีน้องครับเรากลับมาดูนะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้างเกี่ยวกับธรรมนิษฐานซึ่งเป็นด็อกโซจีนะครับด็อกโซจีในตอนนี้เหตุว่าราชอำนาจฤกษ์เดชและราชสมิตมีกับที่สําคัญสามคำด้วยกันครับก็คือราชอำนาจภาษาอังกิจไฤษใช้คําว่า kingdom ครับ ฟอ d ์ไ is the kingdom แปลว่าอะไรครับแปลว่าราชอาณาจักรนะครับซึ่งหมายถึงใช้ชนะนะครับเหนือสงครามนะครับเราอาชิกานขอให้แผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์ น, นั้นมาตั้งอยู่โลกนี้นั่นหมายความว่าจะต้องมีการรุกคืบนะครับที่จะขยายขอบเขตขยายพระราชอำนาจในแผ่นดินของพระเจ้า ถ้าคิดใดก็ตามนะครับที่มีคิงก็แน่นอนครับมีพระราชอำนาจติดตามมาพี่น้องครับนี่คือเป็นคำอธิฐานที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าถวายชัยชนะของพระเจ้าขอให้ชัยชนะเป็นของพระองค์ขอให้ชัยชนะเหนือซาตานเหนือความตายเป็นของพระองค์พี่น้องครับเรามาลองดูครับว่าชัยชนะเหนือความตายชัยชนะเหนือซาตานนั้นเกิดขึ้นตอนที่ไหนครับเกิดขึ้นที่ไม่กางเขนครับนะครับชัยชนะเหนือความตายเกิดขึ้นตอนไหนครับตอน พี่พระเยซูเป็นกุญแจความตายนะครับพระเยซูคืนพระชนนะครับคือการประกาศเาวชนะนะครับคิงเดอมออฟกอนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับที่ไม้กางเขนครับเริ่มต้นที่ไม้กางเขนและจบลงด้วยการฉลตมาครั้งที่สองของพระเยซูนะครับนั่นคือช่วงเวลาแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในโลกมนุษย์นะครับในโลกมนุษย์ในมโนมนุษย์ใบนี้นะครับพี่นะครับเราเห็นนะครับว่าตั้งแต่ประสาที่ผ่านมานะครับ การนำมัตสการพระเจ้ากับที่จะจัดได้การขยายแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็เติบโตขึ้ น, นามาเร่มาเร่มาเร่มานะครับจนกระทั่งทุกคนจะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าและนั้นแหละครับจะเป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูจเจกแจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับเมื่อทุกคนได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วะนะครับตรงนี้เองทําให้รเราเห็นว่าพวกเราทุกคน จะ ต, ต้องรับผิดชอบในการขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่จะที่ฐานถวายเกียรติพระเจ้าว่าขอให้ราชคำนาเป็นของพระองค์เท่านั้นขอให้ kingdom <c oughs> เป็นของพระองค์ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของพระองค์เท่านั้นแต่ว่าเราต้องเป็นเครื่องมือในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนะครับเราจะต้องเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวประเสริฐนาวิ ญ, ญญาณคนมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐครับให้มารู้จักกับพระเจ้านี่คือหน้าที่ของเราในการตอบสนองต่อต่อคําว่าราชคำนาหรือแผ่นดินนะครับ ของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับคําที่สองครับก็คือคําว่าฤทธเดชนะครับคําว่าฤทธเดชนั้นภาษาอังกฤใช้คําว่า power power หมายถึงพลังอำนาจครับหรืออำนาจภาพครับหรือเดชสิทธิ์เที่ยมหน้าสูงสุดนั้นก็เป็นของพระเจ้าที่คืการยกจ่องสวาสดารเสริญแต่พระเจ้าขอให้ฤทธเดชเป็นของพระองค์ขอให้อานาจสูงสุดสิทธิ์เที่ยมหน้าสูงสุดเป็นของพระองค์เพระเาะฉะนั้นนี่คือฤทธเดชครับที่จริงแล้วเราั้งหลายไม่เพียงแต่จะต้อง อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าขอฤทธเดชอำนาจเป็นของพระองค์เท่านั้นแต่พี่น้องกับเราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่เอ็กซ์เซอร์ไ์เดชของพระเจ้านะครับเราจะต้องเป็นพ่อพระพรเราจะต้องเป็นเครื่องมือเราจะต้องเป็นภาชนะของพระองค์นะครับในการที่จะเอ็กซ์เซอร์ไซสเพราะว่าเราจะต้องถ่ายทอดนะครับเป็นพ่อพระพรที่จะถ่ายข้อดอำนาจของพระเจ้าพ่อพระพรที่จะถ่ายข้อดฤทธเดชของพระเจ้าพ่อพระพรที่จะทำให้เกิดการยอมรับในริษฐานุภาพสูงสุดของพระเจ้านะครับ ต่อไปครับก็คือคําว่าโกลลี่หรือคําว่าพระสลีพระสลีนั้นก็คือการมีชะงาราศีครับเรามีข้อความที่บอกว่าแผ่นดินเต็มด้วยพระสลีนะครับเวลาเราเปเพลงร้องเพลงนะครับให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสลีของพระเจ้านะครับในพระเจ้าของพระเจ้านสุดีบอกว่าฟ้าสวรรค์นั้นประกาศพระสลีของพระเจ้าแผ่นดินโลกนั้นก็เต็มด้วยพระสลีของพระเจ้านะครับ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การสรรเสริญครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การนมัสการนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียวนะครับและไม่สามารถที่จะมีใครขโมยข้อสิริของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าระวังนะครับอย่าขโมยพระเกียรติของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองนะครับทําให้เกิดการเสื่อมเสียในข้อสิริของพระเจ้าทําให้เกิดการเสื่อมพระเกียรติของพระเจ้าพี่น้องครับ หลายครั้งทีเดียวนะครับเราต้องการเกียรตินะครับเราต้องการรับการยกย่องจากผู้คนทั้งหลายพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้เราเป็นผู้ที่หิวกระหายและโลภนะครับในเกียรติแะยิงในเกียรติของเรานะครับนั่นแหละครับคือเรามีพฤติกรรมเหมือนกับมารสาต่างกับที่มันชอบขโมยเกียรตินะครับมันอยากจะมีเกียรตินะครับมันอยากจะเทียบเท่ากับองค์ผู้สูงสุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวัง ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับแต่เรื่องถวายเกียรติพระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าได้ทรงช่วยเรานะครับในคําทูลขอนะครับตามแบบอย่างของพระเยซูทั้งเจ็ดประการนี้นะครับผมขออนุญาตสุดท้ายทบทวนให้พี่น้องครับตามประการแรกครับเกี่ยวข้องกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพศัพท์ขอชคิตของเรานะครับที่จะเป็นที่เป็นเหตุให้ผู้คนได้เคารพศัพท์และบูชา นักการพระเจ้านะครับอันที่สองครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับขอแผ่นดินของพระองค์เมื่ออยู่ขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับให้เราที่จะเป็นผู้ที่ทําให้แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปนะครับอันที่สามครับก็คือขอให้เป็นเมตามพระทยของพระองค์ในสวรเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนะครับให้เราเป็นผู้ที่อธิษฐานขอให้น้ําไะทยของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเรานะครับอย่าให้อธิษฐานว่าขอให้ใจของเรานะครับสําเร็จ นะครับแต่ขอให้น้ําไทยของพระองค์สำเร็จครับขอให้แผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราขอให้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะครับสําเร็จในชีวิตของเรานะครับนั่นคือเดสตินีนะครับก็คือสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้ับในชีวิตของเรานั้นขอให้สำเร็จครับและสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้สาหรับพี่น้องของเราเช่นเดียวกันครับเราต้องอธิษฐานเสือซึ้นใจและกันให้สําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสามประการแรกครับส่วนอีก สประการครับคือคำทุนขอกับสี่ประการหลังครับอันที่สี่ก็คือขอทรงโปรดประทานให้ประจําวันแก่ข้าพงศ์หลายในการบันดีให้เรามั่นใจนะครับว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรานะครับเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่นะครับพระเจ้าจะไม่รูปของพระองค์นั้นได้ขาดตกบกกล้องในสิ่งจําเป็นของชีวิตนะครับให้เรามั่นใจอย่างนั้นและอันที่ห้าครับขอโปรดยกบาวผิดของข้าพงศ์เหมือนข้าพงศ์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพงศ์นั้น การที่คำอธิษฐานของเราจะได้รับการสดับฟังจากพระเจ้านะครับและคําตอบจะมาจากพระเจ้าถึงเราได้นะครับก็คือเราต้องปัดจากบาปครับแล้วต้องปัดจากสิ่งที่จีดขวางนะขวางกั้นนะครับอุปสรรคที่ขวางกั้นเรานะครับนั่นคือการยกโทษหรือยกให้คนอื่นครับยกโทษผู้ทำผิดต่อเรานะครับเมื่อเรายกโทษที่ทําผิดต่อเราพระเจ้าก็จะยกบาปผิดของเรานะครับขวางกั้นสิ่งใดการที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นนะครับก็จะถูกย้ายออกไปถูกจีดยกออกไป นะครับเราจะพบกับพระเจ้าและมีความประทับใจพระเจ้าอย่างลึกซึ้งครับเมื่อเราไอ้ชันนะครับสารภาพบาปและเรายกโทษพ้นความผิดต่อพวกเรานะครับต่อไปครับข้อที่หนะครับขออย่านำข้าวงเข้ามาในการทดลองครับขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เรามีความมัทานฝ่ายวิญญาณนั่นก็คือวิญญาณแห่งการแยกแยะครับนะครับวิญญาณแห่งการที่เราจะบอกว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนผิดอันไหนถูกนะครับอะไรเป็นการล่อลวงอะไรเป็นเทสนะครับคือการทดสอบ จากพระเจ้าอะไรมาจากมารอะไรมาจากพระเจ้าและสุดท้ายก็คือให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายให้เราพ้นจากอิตรผลของอำนาจมืดมิญญัญชั่วกับให้เราตัดความสัมพันธ์กับสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าถูกปลดปล่อยนะครับให้เราเป็นภัยจากสิ่งที่เป็นของมาร้ายของซึ่งชั่วร้ายทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับที่จะมีโอกาสให้ควรอย่าลืมนะครับว่ากอธิษฐานนั้นมีสมระดับครับอธิษฐานด้วยใช้เสียงกับอธิษฐานด้วยการ <c oughs> ให้ควรพระเจ้ า, าของเจ้าเงียบ นะครับญาติฐานระดับสุดท้ายก็คืออายิฐานใน<ม>แบบที่ว่านิ่งนะครับและคอยฟังพระสวดเสียงของพระเจ้านี่คือสามระดับของการอายิขันขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับให้เรามีประสบการณ์กับการอายิฐานส่วนตัวเพื่อที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในมิติของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแน่นแฟ้นสนิทสนมกับองค์พระเจ้าของเราอาเมน